นี่โรคโรค ก, กังวลโรคลงวายโรคเสียหัวเสียใจนะ่ะเจ็บหันเจ็บนี่ก็เสียใจนะ่ะถ้าอยู่ดีเนี่ก็ดนะีใจน่ะจะมีเนี่วใดนิดหนึ่งเข้ามาไในชีน น, นนะั้นก็เสียใจน่ะไม่ว่าใครเหมือนกันนะ่ะคดมึงเลยคือกันนะ่ะวอกออกไปแล้ววางนะ่ะโอ้มาทําอกขึ้นไปกุญแจมันกุญแจนั่นกะุญแจจบไปดีๆอยู่นะ่ะวจะนี้ไปมือ น, นั่นนะ่ะ ออกม า, กามนล้วว่ามืดลมหายใจเร็วแบบนี้โอเนี่ยนั่นแหละดูไม่เลือกคนน้อยคนไหนคนเท่าคนแก่หลบลมหายใจหมืดกบับเปลว่าคนตายถ้าลมหายใจยังไม่ตายไม่ตายดูว่านี่ไม่ว่าโรคใดโรคใดไม่ว่าคนบริชัทอะไรอะไรคือการเป็นมืดเป็นเมงคือกัาหมืดลมหายใจไปไม่ได้เปรี้ยวาตาย อูได้ ย, ยันตดรแล้วหาหังใจไว้ให้ดีตัว่าไได้คิดคาดนันใจอุนนั่นแล้จะออกไปทิมตัวบุพภูบุพภะนลกอันนี้มันเนี้ยวนั่นโุอันนี้จังลกอันนี้จังหมดเทียง หน่อยมันปีนหนหนึ่งหน่อยปีนึ่งหน่อยปีนึ่งหน่อยปีนาหนึ่งอยู่เน่ยนั่น่ยนั่นนหน่อยดีหน่อยัน่อชุกหน่อยฮอหน่อยฮอหน่อยเ่หน่อยอึดหน่อยยาบหน่อยน้หน่อยม่หน่อยนึงเอาหน่อยเหม่่่่่่่ ความความความผาลในหัวใจคนนี้มันกว้างความเ ม, มือของในโลกในบุชูหัวใจคนโมไ ด, ดม้กวา้างความตัวความบีอานสังญญขยาคขนาดนาบาับอ่านบูโมได้กว้างคว า, วาเป็นภาเพเป็นรูป่ม่ฟ้โกยจนนับโมได้แค่ตัวอื่นโมได้สองเมื่อแต่ข้อนี้แหละเป็นดีความเมืองโลกในโลกคนนี้ บอกว่าคนสิน่งใจสิ่งใดประเทศใดเมัองใดเกิดอะไรนี่เด็กคนนี้่แหละเป็นยอดเป็นหนอดคนหนอดโลกดีก็ดีในคนชุกก็ชุกในคนชุกก็ทุกในคนตายก็ตายในคนไปเ น, นี่ยดีโมเลกบามันตายดีก็ตายบุตรก็ตายอ่าทุกก็ตายสุ ก, ก็ตาย ม่แต่เรื่องตายๆักหมดเลจนมีโรงพยาบาลบานตัวเอื่อชัดตัวเอือนโมมีโรงพยาบาลเป็นชัดสี่ินสองดีนชัดโมมีดินมีบุกชัดโมมีบุกชัดโมอยู่นําเยือกเขาโมมีโรงพยาบาลดัวใชเดืก็ตายโย่ตายอยู่ตายอยู่ห้องนี้ก็ได้ทั้เ็กทั้หน่อยเอาไปโรงพยาบาลให้แกลุกได้ไท อ่าเกตับจะใส่อ่เกไปเสือของเสือขาวมืวิตายดอกเด่๋ยวตายอือันนั้นละอีหลายหนึ่งตัดขานี่มาแต่ชาลัดตัดขาสวมขาลุจากรถมากเองเอาเอารถนู่มากขึ้นรถก็ไปวาหันะนั่งมางกรมาม่า อะไรโลกอะไรน่ะแต่ว่าอาโลกอะไรน่ะอาโลกอันนั้นน่ะโลกไปชังโลกไปหวานเขา้า่ะออโลกไปหวานถ้าไม่ตายฉันรู้ว่บุตรจะยิต า, อายอายูตัวคิดไม่ใจอยู่ตายแร็วเดียวนี้ซื้มาได้เ อ, อามาได้เราไม่ได้แก้กันโฉขข้าวโฉขขับโฉข้ า, ข า, ข า, ขาแล้ยนิดหน่อยไปน่นและ เกลักการเล็กๆน้อยๆไปให้มันดีแท้ดีแท้บ่มีบ่มีอันดีแท้ในโลกมันม้แต่เกิดแต่ตายแต่ตื่นแต่กลายบ่ว่าพ้นบ่ว่าชัดต้นไม้องเขาเรากาบิผากับคือกันคือกันเบื่อปฏิทินมันก็เกิดแต่ตายตายเลยเกิดเกิดแต่ตายตายเลยเกิดเกิดที่ไม่คง c o i เชียวอ่อนได้มากเป็นดักเป็นฐานตายมืเกิดม ค น, น้าตายแล้วเกิดเมือใดท้าบวจากใบนี่โมีได้ตายได้ตายทั้งมือแล้วบวาดินวัด ว, บวดบวเล็กว่าขังตื่นมาตายมาตายมาตายชีวิตชดินพา ก, กันเม่ต า, ายจคาคนดา มีจะชั่วข้าวไผ่ข้าวมันหลัข้าวหน่อยก็ชั่วข้าวหน่อยง่ายก็ชั่วข้าวง่ายเ่าก็ชั่วข้าวเ่าก็ไผ่ของมันชั่วลูกใจไใจของไผ่ของมันเมื่อลูกใจเหลก็ไปเป็นปีเป็นน้ำเป็นรูปเป็นไผ่ไปเนี่ยนั่นเนี่ยนักนไผ่หาท่านนั่งทีได้บุญกระดี หาบุทันก็ว่าได้เ่าที่ยืนเดือดเวิรนอยู่เดี๋ยวนั้นเงนี้นีไม่ได้หลินเต็กินเดี๋นั้นเ็กนี่ก็บ่ได้บ่ได้เออหาท่านก็จะได้หาบุทันก็ว่าได้หาท่านคืออะไรคือหันใจของเราหี่หามือตาหันใจเข้าไม่ออกตายน ะ, ะความมันไก่ความมันฉัน มันจะเข้าเราไม่ออกตายเข้าเรวไม่ออกก็ตายนีังเป็นของปล่อยอันนี้ดิกนนั่นี้ น, น, น, นะจะเรียว ม, มันเรียวจะชันมันชันอันนี้ลูกเรานะ่ะมืออื่นลูกเขานะ่ะมืนอนี้เมียเราน่ะมืออื่นเนนะมนนเนียเขานะนี่องปอยถ้ามันเวิรเข้ามาก็ใช่ไปถ้ามันโบเวร์ก็แม่เอาลีโบเขอก็ต้องเลือกหนาะ นี่ห ล, ลักเบังคับโลกอนิจเรยนของโควบดวคนบ่วชัดต้ไม้บั่องกาือกันดือกันวิวีบอกอัน้ยังยังยืนจังยื น, ยยนก็บโชโรมาใจใจใส่ใจใส่ใจใสใจมันบัวอะไรกั น, นๆๆบัวเอาอาบั ว, นบวคน ว่าอาชัดว่าจนไม้ภูเขาเรากปลคือกันคือกันเขาประหารใจคือก <itt iy> <atos> e. อ shuttle, อันอยู่มีวิวของคขเอานี้ดีมันงายเคลื่อไหวไปมาหาอาหารหาาอยู่อากินหาไปหามาหาเงินนาของาแล้วก็คือก็ไม่จะใครอยู่ใครกันยังสีตายอยู่ก็ไม่ก็ดี เขาก็หันใจ ạ y อยู่ข้างนกนี่แหละจะโบกจับกับเขาหันใจเขาก็กินน้ำเขาจะกินน้ำกินดิ่อยู่เพื่อก่เพือไ่จะให้เขาตายด้วยยาปนทอนก็ตายดูนั่นโอ้ไม่จะเลือกถกเรือกยากเรือกลาบากลำพานอยังง่ากไปเจอะเพราะว่ า, า, า, วาลี น, น่าเือ รวกอันนี้ลูกกับงลวนลุกลงไหวลูกเออลกใจยลูกถุกลูกยากลุกลบากลำพานลูกนังลุกลงงุกงุกลงเมาลุกลุ่มรุกลุก่้ยเพราะว่าใช้ใส่คือการคือการในเช้ปาณิชย์ท่มปกติทงประเทศทานนี้มันต้นที่ทังประเทศทางนั่นประเทศไม่ีกว่า ตายดูการปฏิบัติการกันนี่ถ้าไม่เนี่ยนี่นี่นี่ั้ขาดเนตนมาจอนนี้นี่กาคนเนี่ยคมาตายแล้วใช่เอากดูกมาแม่ตายแล้วเอากระดูกเมื่อเดือนเดือนเมียแม่ตายแล้วเอาก็ดูกเมื่อเดเมื่อไหลน้ของบุญละเขาว่าหนักพกรถี เขบอกกอพลังในอิเ ด, life, ด, life, ด er ียคือกันเนี่ยมิตรหลายนไหลนำหลายนำหลายนำตํางมือะหเนีให้กากินพวกเครือไผ่บุกีอนน้ลนล้นไปพอบีกระดึงลุําไหลลงไปเนี่ยเนี่ยไม่กลับนอดูเขาประเทศอันใดประเทศโยามีบ ทอนทุนทอนทุบ <het> พ <art French> ื้นนะฮาฮ่าฮ่าเาเอาป้าโดดระเทศเน่านี่สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์นะพื้นก็มีนะไฟก็มีนะเผาดันเผาเผาเผาเผาสบมายดีนี่มันที่เมิดเหลือพื้นนี่พวปลูกไม่กี่ตัวใดๆที่มพิ่านหต้องวงไม่ลวงนั่นลวงนี่ไว้ เนอ ว, ว่าว่าใหม่เผานี้นอกจากนี้ไม่เขาไม่เขาไม่เข า, เขาทำอ เ, เป็นชวดอ่าอ่าชวดไม่สกมักหรืออะไรชวนออยชวน้ อ, อ, ชนอยชวนนั้นมีแต่ชวดชยากเลยชูคนอคนเสเอชมูอเอาไ o ยือ่วนยูโบได้หน r ะ่า โอ้ยจะพอเมืดด เ, าามดมดเดือดเาตที่จะเมื่อไม่กินอยวเขาเดือดเาไปยังที่ไตยอยู่เาท่าขขขมาือมันเรว่าคือกันิไ่ิมของมันโอยเลืกหน่อยเลื อ, อ่ า, ายลเาลือกเเรื่องของ่อยีเ่เทเลือกถูกเลืถูกกันเลยเลือกชปปอบม เป็นยังทำไม่ได <shop> no ้ถูกเสถูกปไปถูกไปฮ่า่ในโลกันยังไร้ยว่าโลกถูกอาเป็นเจ้าเป็นนายกันดีเป็นเจ้าเป็นนายก็ถูกคือกันเป็นชมเด็ชั้นรกกันอาคือกันคือกันเจ้าพระเจ้าอยู่หัวก็คือกันคือกันกันมีแต่ถูกทำมัน ว่าบทถูกนั่งแปมเรื่ อ, อยยาติงนะนั่งเนียวได้ให้เนวนั่นนะอนเอาจากปีนัน่นเยกระถูกเมันจะดีมันเย็ บ, ม, บ, ม, บมันมนมันหัดนั่นนี้นี่มันจะมบขอยมืดตาเ่ยนี่บอพับนะมืดอยู่นั่นนี่บอยได้บอพับมันกระถูกมีทีมันของคอย มีแต่เรื่องทุกข์เดือนนี่พระเจ้ากันว่าไปเนี่ยอิ่มหลายก็ทุกข์บม่อิ่มก็ทุกข <c oughs> ์นั่งก็ทุกข์นองก็ทุกข์เ่นก็ทุกข์ว่อก็ทุกข์ชีวะมัดมือได้บ่บ่ได้ทุกข์กว่าว่อก็ดีก็ล้องเบื่อไปชีอกเองเราไดนานนี่นน เห็นบอกถูกเอาเห็นแด่ทางนอกทั้งนั่นนะเขาถูกโดนเขาง่าเขาเกิดเขาตายเขานันเขานี่ของเขาของเขาของเขามนุษย์แมนของเขาเขาเาเขาเที่ยวเขาบวชเขาองเขาของเขาว่าจะพ้าวว่าจะ่ว่าันบททางนาก่นเขาและนอกจากตัวเขากระทำว่ายู่กาะว่า กขมาหาตัวเขาไปรอบอับมอจับจับมือจับมือจับมือจ็บมืเจ็บแื้จับมือจับมือจ็บมืเจับมือจับมือจันมือจบมไอ้มือูัเมือจับมือจาบมือจับอจับมือจับมือจับมือจับมืมีทั้งืบมืมีอจับมือจัมือจับมืีือมือจมือจัมจับมืออจมือจับือจพบมอจับมือจับมอจอจับมือจับาือับมือบบ เรียกเรียกยาให้มันเจ็บนะมันเข้ามาเรียกนะเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้ยาให้มันเจ็บนะของเรานะนี่มันก็บอกโวได้มันน่ะบอกโวได้โวเมนโวเมเมาท์โวเมนโวเขาโวเขาโวเขาไปแนวดีโรกตักโลกไตโรกปันหะโรบปัญญี เขาบอว่าเนี่ยนี่ฮะกบัวจำไม่แต่ชูมีแต่ใจไม่แต่ยนแตวเ่นแต่นั้นต่เตนัตนี่ยืมโได้ทันเข้ามาหาเฮาโดกรบเฮาบวทันหอดกับเฮาบวทันหอดกับการมางหอดละแม่แล้วบ้านนี้เจ็บหูบอ๋อเนี่ราดตองเจ็บตาบอนี่ตาในฟันในนี่เพราน่าน้ามานบได้ในทองในใส่เอาแต่มันสีเาสีด ก็ถ้ามันเป็นเนี่ยนี้เรื่องบโมีอะไรีเบิร์นใช้ภาวนาเก่งเป็นบ่อเนี่ยมี่ก็เป็นเนี่ยนั่นเออได้การนั่นละให้ภาวนาเขาจะบึ้งเด็หักแขนหูกับหูหักหูตาหักตาหนาติดหนาหูที่หูตาติดตาแข่งิดเข่งขาติดขาเอลวเบิร์ตัวนี้แหละมันเสียกเสียใจท่าตาท่ายังเนื้อหาก็ดีใจถ้ามันเมื่ดลมมาใจนะก็เสียใจ น่นนี่ทีนี้จะเกิดจาตายได้ไเป็นอย่างนี้ารภาวนาเาพราะ่ต้องเทศเอาลงไมนเป็นแน่ น, นเลยใบก า, าเเกเมื่อเรื่เรื่องเอาคนเฒ่านี่ทอดเดียวก็วันหนึ่งคนหนึ่งนะรลวงปู่ชาว่าจะหน่อยไม่หลายแลย แด้ก็วันนึงคือหนึ่งไอ้โน้ตของเราในโลกวันนี้โลกอื่นเขาเทียบวันหนึ่งเนยก็นนั่นไหมร้อยวันบัวห้าวันหนึ่งขวงเขาวันอื่ขวงเขาบัวทันเจี๊มีหลวงพ่อาเว่าวเนี่ยหรือาก็ว่าตามหลวงพ่ชาดว่าว น, นั่นที่ในของคอยไอ้เผาเหตุเผาทำเผาดื้อมันเป็น น, นั่นนั่นไผ่ดีเป็นเทพบุตรเทวดาหลายเอว นั่นได้ใช้ใชวันหน้ า, าดีเท่าไดร่ก็้พังเด่เขาไม่ได้ไพังดกเดอดเดืเดอดพังจะคนพังวันหน้าใช้ถ า, ถามแล้วมูนนี้ ทำคอยมองเลยทำอยู่นี่แหละแต่มันยังบ่ตทันได้เป็นเราเราโง่ไปแล้วแล้วมันเป็นยนังไงเออเด็กาะอ่าวิทุกวิญญาณวิเกิดวิตายแลยอืม เป็นอย่นั้นก็ย่งห่วงถูกหวงหกวงลำบากหวงท่านหัวนักห่วงห่วงนงห่วงวงวงเหงาห่วงงุดห่วงโมห่วงุดห่วงไหอยู่เป็นคือโตโตคือเป็นเคือโตคือคือเปิดอยู่เนนี่เลยโลกอันนี้ก็บรยากาดอกฮาตายไปเรื่อยก็เนยนี่แหละมูก็ดีกเอายางกันเนีนี่แหละมู สายก็หลยอยู่อนุมก็มีผู้่ากัมีผู้เกย ก, ก็มีผู้เนี่ยได้มีมือแหลมมีทั้งเจ็ดทั้งสิบทั้งเก้าทั้งนะรนา่นอ า, า, านโดได้บ่บ่ได้เกินมันมันไปนะ่นี่ได้โลกโอ้ เอาอยู่นี่เข้าก็อยู has, ่ยนเป็นชู้เข้าก็ชิบไตจะเกือกโนมีนได้ก็ว่าได้เดียวไปก็ว่าว่าตายนะเขาคือชิบไตสิแหละไปคือกันเดี่วผัวผู้ใดผัวผูหน่อยผูวเท่าผัวแกคือกันคือกันถึงเ่อเายังนมยังนั่งยังนิ้ว่าคือปดับ่าปวตรงตายด้ว ไปในนี่ได้เขาเอือห้างอยู่สมบูรณ์อยู่อันใดก็ดีนัําก็ดีอ่อดีนหนักลมพไปชมกันเขาเลือดก็ดีลบก็ดีชิ่งหนังอันใดอันใดก็ดีลมก็ดีเอือถ้าร้อนอนลงไปลองเมืองเจ้าเอออเจ็บมันเจ็บนี่ก็ร้อนไปนรู้เจ็เจ็บ จะถูกถูก ท, กทงหมนุษยสิแมของโหว่ามันเต็มโลกชิวบอกว่าอาจะสมพอเต็มมันมันเต็มโลกบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ตายพลังองกิษออกอิปุก่ปุนเยออันใดมีมัมมมมปปดมีหมดท่าเบื่อเบื่ตายตายดีใหญ่เลย สารรัฐสารรัฐร่วงพยาบาลไปของสารัฐอำนาจองอะไรเป็นอะไรสหรรัฐเนี่คนตายไหมดูวา่ามันตายเนี่ยได้คนสารัฐว่าตายโรกก็มีใจเจ็บแบเจบ่องเจ็บใส่เจ็บนั่นเจ็บนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่เจ็บโอ้เจ็บตาเจ็บแก่เจ็บขาตายคือกันคือกันคือกันกบะเท่านี้เลย ประเทศสหรัฐตายหันใจไหมตัวไม่บริัทนี้ไม่หันใจเออแม่แหละเอาท่านนี้กันบ้าหันใจือกันตายกันตัวหันใจือกันเนี่ยถามไปประเทศนั้นประเทศนี้ือกันพอตลอดเลยเราก็ถามไปหันใจนะหลังกั้งนนท์แน่ตัวหันใจไหมตาย ไม่อนใจคือกันเจ้คือ mm กันคือกันเน่ดิน้าอากาศคือกันดินคือกันมียาวมีเพื่อนมีลูกมีเนี่ยมีนั่นมีนี่คือกันคือกันบ้านใดเมืองใดคือกันคือกันเอาว่าไปดอก็เอาเบิ้งตะพีก็พอเลยอเอเขาก็มีหลดมีร่างมีเหี่ยวมีน้ายมีนั่นมีนี่คือกันคือกัน ประเทศนั fly, illing, no oh, oh, il, so ้นก็มีประเทศนี่ก็มีมีหลกมีเรื่องมีน่นมีนี่เขาก็มีคือกันลาโดตายคือกันน่นเขาตายนัในไหนก็ตายคือการนั่นบุพพิการโดน่าไปในนี้มันถูกเหมือนใดโอ้ยประเทศนั้นมันสีเฮยจะเลื่อน่นนั้นโอ้จะเลืนก็ตายคือกัน พอจะเลื่อนก็ตายคือบ้านนอกหกครับบ้านนอกอ่าอ่ะหกอ่าบ้าน้าดอนคือเฮ้าันก็ตายคือกันกรุงเทพกรุงไทยบ้านใหญ่เมืองจะเลื่อนนี่โอ้คือจะหตายยัเหลือตายอยู่กันโอ้คำว่าตายเขาก็จะไหวเรียวไอ้ตัวเพาะว่าท่านยัตายนะตัวอ่าเมืองนั่นตายไหมตัวเขามา พวกแขกพวกอะไรเราทำเนี่ยตายอยู่พวกหบอกพวกยีนพวกชาลวกอารัดพวกญิ่ปุนเงี้นน้น ำ, นนำมันตายเนาะเยีน้ำมันมาขนนวดมาเท่าแล้ยคนแก่คนเท่าหรือเยีนน้ำมันดูว่านี่ ตายดิตายอยู่ว่ตายอยู่จริ่าฮ่าโอ้โหคนอยู่แล้วนี่ก็ดีด้วยเออที่นั่นนี่ได้โลเออโอ้หลายงูได้ห่ามันนี่หลายหมูอยู่คนเออเอาเป็นชุดอาชีวะในบ้านนี่ว่ากัน เอาเอา่ไยอดเกคนให้เอาให้อนเด็กคนด้วเออเอาเอามาถวายก็มีอะไีพวกนี้แเรกเอออามียกัไม่เอาเียอาลูกไม่เอาลูกอารันไม่เอารนนะดูให้ดูันนะไบนีไดี้ ท่านไม่ทำไม่เลยวิธีทำเดี๋ยวทก่อนต้องเป็ก่อนทก่อนทําจากโวไปโูมันตไปโูมันแลไปอากระยาดองวิธีทาเดทําวทำเลยอาในตัวของเรา หาเอาในในตัวของไค ข, ข, ของมันนะนนนนทำอยูอออออ่ในตัวของไคของมันทำดีทําไม่ดีในตัวของไคของมันไปหาในคนนั้นคนนี้ตัวพวกนี้จะไปเอาของเขาเอาของเราของเราของเราในตัวของไครตัวของเจ้าขอ ง, จองจเจ้าขอกจับมือพระเจ้าคุณว่าเน่นั่นจะไปดูคนนี้คนนั้นคนนี้คนคนีนน้ไม่ได้หรอ ถ้าเรารูดทำแค่คนต้องบอกอาจารย์ของคบาอาจารย์ตกในตัวเราตัวเราพูดเ่อมาชเป็นคนนมันเพเป็นทำใหดตัวให่ทุกคนเอาไปครับอ้าตัวใหนฮ้าวัน จำใจจะให้อตัวไปตัวมาจำมีตัวองไปได้นะตัวองอ่าพวกนีก็ตัวไปตัวมาพวกชายก็ตัวไปตัวมาจำมีสองแล้วไมได้ไได้ไม่ได้ไปไป่า มีช่องแยกม่ทุกมียากมีลาบากลคพานมีหนักมีเบมีบวกมีลบมีเงามีมือเีมือมมีมีวุนายในจิตในใจของเรานะก็ไปในนี้แหะว่าอาจารย์จะว่าไปในนี้แหละโรคมันนี่โลคกังวลโรควกนวายโรกเสี่โรคเหี้ยไยถ้ามันมีแล้วก็ดีใจถ้ามันมีแล้วก็ดีใจถ้าไม่ดีแล้วไม่หี้ย ไมได้ม่ใหู้ตัวเขาดูตัวเขาแตดูตัวเขาแล้วเอาจะคีคงมีคงมีทางวิจัยครับทุกท่านเขาไปได้นะครับมีออกีหน่ยครับ นาคนเียวแข่ว่าได้จีบแกขาวันนี้นขาบวบๆนะกดไพโต๊ันมาได้จีบกันโดเอาต่อรักาแก้ปัาในโตไพโตกันเอาที่ความสุขความทุกข์ามปุ๊ัโตไพ่โตมันบุรณะกดือนน่บะวนนึ่งบุรีเมืองนึ่เมืองหนึ่งเมืองเมืองหนึ่งโตไพโตมันเมืองกาญจน์คน กองไปกองมากลองไกองมาเอยผดผมไปหาอาจารย์ดอมมันเป็นาา น, น, นานไม่เบื่ออาจารย์นะบอกาว่าถ้าเราชดเราได้ก็ไม่เบื่ออาจารย์เหมือนแลวเอ ล, ล, ล้วเหมนแาอ่มันยเื่อา อ, อาจารย์นันอาจารย์นี่นไ เราสอนก็เป็นเราและผู้รูก็เป็นเราผู้รู้ก็เป็นเราผู้รู้ไม่ดีก็เป็นเรานี่สอนจะบอกได้รื่าะนี่เขาอกให้ไปเรีนสอนตัวนี้นะหวงพ่อ็นว่าแ่นั่นเ็นรูเอาผกัพัความเ่งไปเรไป เอาไป t ห้ไปให้ไปจนหมดจนหมดลมแล้วหมดลมเกาเรียกว่าหมดลมเอาไปเอาไปเอาไปเอาไป เราปอนับคั่งนั่งอย่างนี้เพราะว่าดูเถิดตัวไปเต็มตัวไปตัวมาตัวนั่งนี่นั่งนิรุกข์นั่งกับตัวน้องกับอาบุตรนัจะบ และลาว่าว่าจากก็รโดยพักแถวนั้น ไห้โเกิดโตายม่ม่มีอย่างตายเหมือนเอตายเหมือนเอเกิดือตายเหมือนเธนเกิดตายเกิดเหมือนเอตายเหอตายออนเา ก็ไปเจอหน้าัของเา้ดได้ก็ได้ัดเ ด้เป็นนายชัดทางทั้งโต้กันดได้หมดได้ก็ได้เป็นคนละยอดและยอดรวมเนี่ยชัดทางไล่ทั้งโต้กันหมดได้ชัดปีปีชอกปี่ชัดปุ่ม่ชัดโรปุ่มเขาโปรปเนี่ยเป็นโป่มทีเขาโปร พุทธะทอดชัดนะออดดนะปัจเจวยอดดนระบาสอดดนระบาสาวข้าวข้าวบุญญาสาวข้าข้าวบุญญาสาวข้าวข้าวบุญญาสาวข้วข้าวบุญญาสาวข้าวข้าบุญญาสา ไม่เลิกกันนะท่านบอกว่าประนั้นปนี้กับปนั้นสปนั้นเป็นทุกข์สุอยู่ดเปปกติปันี้จจร่่ยกั y e a ไอ้นี่ออมาจากเนียนนมันนะเพราะว่าเขาิเห็นอ่าอ่าเนี่ยนั่มันได้ลังไหมพลัเนาะเนามีของเนี่ยนั่ น, นเนี่ยนั่นเนียของประเทศโอก ลมร้อนจะมีนะลมร้อนจะมีลมเย็นก็มเขาทำนะโอ้ยหาวหเขาป่วยปุ๊บวดกรมังหัวด้วโอ้ยหาวด้วยหนาวด้วยถ้าจ้องการแหลกออนแล้วเอาเย็นมาเอา ไปพูดไปเตาขอกเราเต้าภาษาเนี่ยไม่ได้ต้งแก้ได้ไปเราทำได้วันนี้องแกงไม่ได้ปัญญาคนนี้ปัญญาทังโลกแวปัญญาทังทรรแต่โ ก็อะไรอะไรโอ้โหโอ้โทำในอาในเนื้อในกายของข้าส่ับในไข่เด็เนะชดได้เ่อกออกกับ่ฮ่ิฮ่า่าไข่อ เรียบบาไร้เรามปัญญาทางอกนัดย้อนยับเลอะญาญาชนิดนัตญาชนิดนี้้นไม้นัตเยว่เยว้นตอมังคุดินเี้เส้นต้นนัตยุบบานตองการเขียวอเ นโอันไหนเป็นโลกทิดเดือนเขาโยกโยกับโควคนเขานี่เขได้ก็มี้ถ้าจะตายัดเจนแล้วคือบ้านเอ่ในปึกกนหลายปีแล้วยังอยู่คนละผีก็ไม่เผาขี้หมูลยาคือมตัว ฉันเขาไม่ยู่อมฉันแล้วเขากักวเป็นตัวมีขปัญญาเขาเองอขาไม่เป็นใจหรอกเา้ยแต่จริงๆ็นใจกินนะไม่เป็ น, นไรวันนั้นดูนมีอะไรนี่อะไรนี่อะไรยอย า, ากเอาไปเก็บาะไย เกลือมีเช้ไป็นต้นๆตัดแขนตัดขาบ้างโยมคนหนึ่งมาจากทางไหนน่ะมาจากยะฮะท่านตัดตัดสอขาตัดไดปัญญาของเขาเอาที่ตัดหมด มียก็เลื่อได้ตัดลายก็ตายเอาว่าพนแรลกราชาหัสลูกเราเอามานีนะเอาลูกมาบานนี้เอาโดกแม่ขับอมดันไล้มาเอาโดกแม่นี่ไปไหลน้ำของเด็วัสดสันติัำไป ใช่แล้วก็มามาใ้อย่่นคิดนแ่น um um ี้มไว้งดนดานี่และดีแมมานี่แหละแต่ก่เก็ไม่ยากแม่ว่า ปไปในตแม่ไปไหนนะ่นะ ว, วมันนภ า, านพแย่วัแน้วแนะม่บอกให้เอาของมาไห่น้ำของมาแจกเดักไวฉันไกับ้านอะไรกนไห่ไปอ่ะอมาเนี่ยนะ้เขาลัดัทีเนี่ยน่ะ ว id ide, นนันไหนวันไหนนะมันก็ถุยถุไปโผล่ลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลลุลุลุลลล ก็าสุกันแล้วอเกิกันแล้วก็นาสุกันเด็่สุันที่ไม่สุันที่มี่แหียางนั้นั่นีย่างนัหลายเรื่องที่ี่ความหองมันละ เขาเนี่ยมงมาใจเขานะนะบอากกิดพวกแก้วคำพูดพุ่งให้คนเราเอาเ no นี่ยเผาเผาเผาเผาแค่เผาเผาเผาเผาพูดเอาเผาเผาเผา ของไป่องมันอนนั่นแหงชรับผมเป็นแนวนี้ของไปของมันดอกของไปของมันว่ามันดีนี่มันก็จะไปนนะครับ